เป็นวันพระเป็นวันวิสาขาบูชาพวกเราได้ทำกิจกรรมมาแต่เมื่อเช้าได้ทำบุญแล้วก็ได้สมาทานศีลและส่วนพระสงฆ์ตอนเย็นก็ได้ลงอุโบสถแล้วก็ที่ผ่านมาพวกเราก็ได้พร้อมกันไหว้พระแล้วก็กล่าวคำ ลำลึกถึงวันวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไรที่พวกเราได้อ่านเป็นภาษาบาลีแล้วก็ได้แปลเป็นภาษาภาษาไทยก็เป็นที่เข้าใจว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบาูชาเป็นวันประสูตตัสรุปรินิพานของพระพุทธเจ้า จากนั้นพวกเราก็ได้ไหว้พระทมวัดเยน็นจบโรงสักครู่นี้ต่อนนี้ไปพวกเราจะได้ฟังหลวงพ่อเองจะได้กล่าวสัมโภทธนิยกถาให้แก่พวกเราได้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาวันนี้หลวงพ่อเองจะพูดหรือจะหรือจะพูดหรือจะกล่าวเกี่ยวกับพุทธประวัติ เพราะว่าเป็นวันสําคัญเป็นวันที่พระพุทธเจา้าประสูตรตัดสรู้ปรินิพานเพราะพวกคณะศรัทธาญาติโยมมาหลายท่านแต่บางท่านก็คงจะรู้ว่าเป็นวันสําคัญชะไหนแต่ว่าบางคนบางท่านก็เพิ่งเข้ามาก็ยังไม่ทราบเพราะนั้นผู้ที่ไม่ทราบก็จะได้เรียน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 ขณะฟังจิตของผู้ฟังได้ฟังหลักเหตุผลก็ได้รับความจิตใจได้รับความผ่องใสอันนี้คือคือส่วนหนึ่งแล้วก็ท่านยกเป็นพระบาลีว่าสุดตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นกันกลองอีกครั้งหนึ่งไตรตองอีกครั้งหนึ่ง ก็เข้าใจเกิดปัญญาขึ้นแปลว่าอินตามะยะปัญญาแล้วก็ภาวนามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้นิ่งซะก่อนอจากนั้นก็นําจิตมันผ่านความสงบความนิ่งแล้วนั้นนํามากั้นกรองไตรตรองเหตุและผลที่พวกเราได้ยินได้ฟัง อันนี้ก็เกิดปัญญาละเอียดขึ้นไปอีกเรียกว่าภาวนามย์ปัญญาสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นพื้นฐานซะก่อนถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังพวกเราจะเฉลียวฉลาดจะรอบรู้ขึ้นมานั้นคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นพวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแต่จะให้พวกเราไปค้นคว้าศึกษา ในพระไตรปิฎกหรือในหนังสือพวกเราก็คงจะสุดเอื้อเหมือนกันขนาดพระสงฆ์ที่อยู่ภายในอ่านพระไตรปิฎกอย่างนีนบางทีก็ไม่เข้าใจในสั์หรือคาพูดเพราะคำพูดในพระไตรปิฎกคล้ายคล้ายกับคาพูดของกฎหมายคำพูดพระไตรปิฎกเป็นคำพูดที่เป็นวคคำพูดโบราณหรือเป็นคาพูดเป็นศั์ ภาษาบาลีถ้าพวกเราอ่านไปแล้วไม่เข้าใจไม่กี่ศัพท์พวกเราก็ยอมแพ้แล้วเพราะเหตุไรเพราะอ่านไปแล้วไม่เข้าใจเพราะนั้นจะให้พวกเราอ่านค้นคว้าในพระไตรปิฎกทุกคนก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเข้ามาสู่วัดวาศาสนาอย่างหลวงพ่อเนี่ได้ค้นคว้าได้ศึกษาในพระไตรปิฎก จุดไหนที่คณะทรัทาญาติโยมหรือลูกหลานที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังที่จะเข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบางประโยคหลวงพ่อก็จะได้นำมาพูดมากล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมาย8ป0 0 0สี่พันพระธรร ม, มขันเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองเกี่ยวกับ กฎและเปียกก็คือวิัยพระสูตรก็คือเรื่องราวความเป็นมาและความเป็นไปอย่างไรแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละองค์แต่ละพร ะ, พระสาวกหรืออุบาสกอุบาสิกาความเป็นมาของแต่ละท่านละคนอันนี้คือเป็นเรื่องราวนะวะพระสูตรส่วนพระประมัตถธรรมท่านพูดเกี่ยวกับทางด้านจิตใจจิตใจนึกคิดเรื่องอยางไง ใจิตใจของเราปรุงอย่างไงใจของเรามีความเห็นเป็นประการใดอันนี้คืว่าให้มีสติดูจิต ด, ดูใจอันนี้เรียกว่าปรมัตถธรรมดูเรื่องความเคลื่อนไหวของใจใจนึกคิดอย่างไรอันนี้เรียกว่าปรมัตถธรรมเพราะนั้นพระไตรแปลว่าสามปิดกไตรปิดกแต่ปิดกแปลว่าตั ก, ก้าหรือว่าเป็นเครื่องรองรับ เพราะนั้นพวกเราจะได้ศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นพวกเราเป็นพุทธบริษัทสี่คำว่าบริษัทคำนี้ก็คือเหมือนกับบริษัทห้างร้านต้องมีผู้จัดการต้องมีรองผู้จัดการต้องมีลูกค้าต้องมีบริวารในบริษัทนั้นๆ น, น, นี้ก็เหมือนกันพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของบริษัท พวกเราเป็นพุท ธ, ทธบริษัทเป็นลูกสิตลูกหาของพระพุทธเจา้ารองผู้จัดการก็คือโมกคราสาริบุตรจากนั้นก็พระอานุนเป็นผู้ดูแลเป็นแม่บ้านกิจการเรื่องดูแลงานในบริษัทพวกเราท่านทั้งหลายก็เป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจา้า ที่นับถือเรียว่าลงหุ้นเข้าหุ้นหรือว่าลงขันหรือว่าหุ้นส่วนกับพระพุทธเจ้าเห็นด้วยที่พระพุทธเจ้าที่เจ้าของบริษัทนี้แสดงและพูดออกมาในพระธรรมแปดหมสีพันพระธรรมพระธรรมขันนั่นถึงจะยกเรื่องของทานคือการเสียสละก็มีเหตุผลถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีการเสียสละไม่มีการแบ่งปันกัน ไม่มีไม่มีน้ำใจต่อกันโลกทั้งโลกหรือพวกเราอยู่ด้วยกันก็อยู่แบบกันแกลนอยู่ด้วยความไม่ชุ่มชื่นไม่ชุ่มชื่นเบิกบานหาความไว้วางใจกันไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะพวกเราไม่มีน้ำใจไม่มีเมตตาไม่มีการให้อภัยอภัยทานไม่มีการสงเคราะห์กันไม่มีพวกเราจะอยู่ด้วยกันก็อยู่คงจะอยู่ไม่ได้นี่แหละ พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้ต้องมีการเสียสละต้องมีการให้ทานคือทานะคือการให้อันนี้แหละคือปศุภพ พ, พุทธองค์คือทำคําสอนของพระพุทธองค์ถ้าเรามาคิดมาพิจารณากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลที่ท่านตรัสออกมาตรัสออกมาด้วยพ ร, พระปัญญาปีชาสามารถของพระองค์จริงๆ เมื่อตรัสออกมาแล้วเป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วหาผู้แยง้งหาผู้จีคัดค้านได้ยากถ้าคัดค้านก็คัดค้านแบบข้างๆคูๆไปอย่างนั้นแหะแต่จะออกมาให้ชัดจริงเอาม า, าถามให้ชัดจริงๆก็ไม่มีใครที่จะคัดค้านทำประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้การเรื่องทานก็เรื่องศินก็คือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันถ้าคนไม่มีศินอยู่ด้วยกันก็เป็นไม่ ไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นที่ระแวงแคลงใจกันจะหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ในคนที่ไม่มีสินถ้าว่าพวกเราต่างคนก็ต่างมีสินไปนะสถานที่ใดกกไว้เนื้อเชื่อใลกันทุกหัวและแหงแต่ถ้าว่าผู้ไม่มีสินมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบหรือว่ามีแต่จ้องที่จะทำร้ายทำลายกันพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกัน ไปนะสถานที่ใดก็มีแต่ความแวดระวังเรื่องคนของคนอื่นจะหาความสุขสงบสุขไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเรื่องศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเรานํามาวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุผลแล้วมีแต่หลักเหตุผลอยู่ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นท่านมาพูดถึงสมาธิและปัญญาทานศีลภาวนา ภาวนาคื อ, คอเรื่องทำสมาธิทำจิตใจให้สงบถ้าหากว่าพวกเราจิตใจของพวกเราไม่สงบจิตใจปุงฟุ้งซ่านจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจคิดวิตกกังวลออกไปนอกลูก่นอกทางพวกเราอย่าหวังเลยที่จะคิดอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวที่จะนำมาบอกกล่าวซึ่งกันและกัน เพราะว่าพวกเราคิดสติไม่อยู่กับตัวเองเผลอๆจะเป็นบ้าเป็น บ, นบอออนได้ง่ายๆเพราะเหตุไรเพราะเราไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงฝึกหัดสอนวิธีฝึกหัดเรื่องสติสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธ ศ, ศาสนาก่อนที่จะทำจิตใจให้สงบต้องมีสติสัมปชัญญะ นี่พระพุทธเจ้าท่านบอกตั้งแต่ที่ท่านได้ตัดสู้ในวันนี้แหะวันนี้ที่ท่านได้ตัดสู้ตอนย่าคำ่ายังยังไม่มืดยังพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินท่านบอกว่าท่านนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงกําหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นนั่นแหละจากนั้นจิตหรือใจหรือประฐัยขององค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งนี่แหละวิธีการฝึกสติในเมื่อเราฝึกสติดีแล้วฝึกสติไม่อยู่ไม่วันไว้ควายแกว่แวงแล้วใจของเราอยู่กันเป็นที่แล้วอยู่นิ่งแล้วนะ จิตใจจะเข้ารวมเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจรวมสงบคือจิตใจไม่คิดไปในอดีตจิตใจไม่คิดไปในอนาคตจิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตอยู่ในปัจจุบันจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบจิตก็จะรวมลงเป็นหนึ่งจิตก็จะนิ่งจิตได้พักผ่อน เมื่อจิตพักผ่อนตามลํำดับคณิกะอุปจาระอัปปนาในเมื่อจิตพักพรนมีกําลังแล้วก็ถอนขึ้นมาแต่บางท่านบางคนพอสงบแล้วก็อยากซักสะโผอีกพักผรแล้วก็อยากจะพักพรอีกเหมือนกับเราอยู่ในห้องแอร์เมื่อตะกอนก็ไม่รู้ว่าห้องแอร์เย็นยังไงพอรู้ว่าแหละห้องแอร์เย็น พอเขาไปในห้องแอร์พักสบายพอออกจากห้องแอร์แล้วยากจะขับเข้าไปห้องแอร์อีกอขี้เกียจทางานขี้เกียจที่จะทำอย่างอื่นเพราะมันการทำงานมันเป็นเรื่องที่ลําบากทุกยากลําบากทั้งหนักน้าด้วยทั้งทรมานกายด้วยที่เราทำงานเหมือนกับ เ, เราทำงานนั่นแหละเรารู้ว่าการทำงานกับ การอยู่ในห้องแอร์รบก่าการอยู่พักผ่อนนั้นอันไหนสบายกว่ากันจิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเขาสู่ความสงบรวมลงเป็นหนึ่งจิตรวมนั้นเหมือนกับอยู่ในห้องแอร์เหมือนกับได้พักผ่อนแต่แต่ว่าในเมื่อพักผ่อนแล้วเราไม่ออกมาทำการทำงานมีแต่พักผ่อนอยู่ตลอดแล้วผลงานจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราก็ไม่มีผลงาน แล้วก็ไม่รู้แจ้งเห็นจริงผลที่สุดคนที่มั่งมีสีสุขก็จนไปด้วยพ่อยเลยเพราะไม่ออกไปทํางานเพราะนั้นเรื่องการภาวนาเรือว่าการเดินวิปัสสนาเนี่ยนี่แหละคือการออกทํางานการพักผ่อนนีคือสมาธิเอ่อเรียว่าอุบเออเรียว่าสมาถทสม ถ, ถะคือทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งส่วนวิปัสสนานั้น นำมาคิดนำมากันกรองไตรตรองเหตุและผลเพราะพระพุทธเจ้าท่านให้กันกรองไตรตรองเรื่องอะไรพระองค์บอกว่าที่เห็นข้างนอกที่เห็นชัดเจนก็คือกรรมฐานห้าที่พระพุทธเจ้าให้กําหนดหรือให้พิจารณากรรมฐานห้าท่านให้มาตั้งแต่เมื่อเป็นสมมเนนท่านก็ให้กรรมฐานห้า บวชเป็นพระท่านก็ให้กรรมฐานหากรรมฐานหานะี่คืออะไรเกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเรียกว่ากรรมฐานหาไม่หนีจากกรรมฐานหเนะี่ยใช้อิปัจฉนาหรือว่าเดินมัจเรียว่าจิตสงบนั้นคือสมถะหรือสมาธิแต่ปัจบันนี้เมื่อจิตผ่านสมาธิผ่านความสงบแล้ว ให้เดินวิปัสสนาให้คิดกานกรองไตรตรองหาเหตุและผลผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันอยู่ในสถานะไหนก็ให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราก็จะรู้ได้ว่าร่างกายกับตัวของเราไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันใจกับกายแต่อาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน พอจิตผ่านสมาธิแล้วจิตได้พักผ่อนแล้วจิตเข้าสู่ความสงบนิ่งแล้วใจใจจิตของเราด้วยใจของเราผู้รู้ของเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจเนี่ยมันเป็นคนละอันกันแต่อาศัยกันอยู่เมื่อเรารู้แล้วอย่างนั้นเราก็นำใจนั่นตัวผู้รู้มาพิจารณาร่างกาย ร่างกายนี้จะเป็นอยู่ได้นานสักเท่าไหร่เพราะร่างกายนี้เป็นอยู่ เ, เดี๋ยวก็ตัวไหนมันขาดก็เพิ่มอาหารเข้าไปเพิ่มลมเข้าไป เ, เพิ่มดินน้ำลมไฟเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เหมือนกับเรารักษาต้นไม้อย่างนั้นเราก็ต้องมีน้ามีปุ๋ย แล้วก็จะให้อากาศคุมจนเกินไปแล้วก็จะให้แดดเปี้ยงจนเกินไปจะรักษาอย่างไงต้นไม้ต้นนั้นจึงจ ะ, จะเจริญงอกเกยขึ้นมาได้นี่ยก็เหมือนกันใจของเราที่เป็นเจ้าของมองดูร่างกายมันร้อนหรือมันหนาวมันหิวมันกระหายอย่างไรร่างกายก็จะต้องหาเครื่องเข้ามาปนปื้อร่างกายของเราแต่บางคนก็ปนปื้อจนเกินไป จนหลงในร่างกายว่าเป็นของตัวของตัวเองแท้ แ, ทแต่ธรรมที่จริงในถักถ้าพวกเราไม่ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพวกเราเอาไว้พวกเราก็คงจะลุ่มหลงในร่างกายเพราะถือว่าร่างกายเป็นของเราพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาที่โคนต้นโพแล้วท่านบอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานาะ ให้พิจารณาดูให้ดีค้นดูให้ดีศึกษาดูให้ดีถ้าเป็นของเราเราจะต้องบอกได้ว่าร่างกายอย่าไปแก่นะอย่าไปเจ็บนะอย่าไปตายนะให้อยู่อย่างนี้ตลอดไปนะร่างกายมันก็จะฟังแต่นี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพอมันแก่มันก็แก่ตามลำพังของมันถึงขาวเจ็บมันก็จ้องเก็บถึงเขาตายมันก็ต้องตาย แต่ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้นี่แหละร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนของเราเน่อใจเน้อนี่แหละทีนี้เรามาพิจารณาถึงใจได้ที้ไอนนี่แหละของพุทธศาสนานพูดไปยังไงก็ไม่พ้นไม่พ้นไปถึกใจจะพูดไปยังไงกับพูดไปเหมือนกับเราพูดถึงกิง่งถึงง่าเอถึงกิ่งก้านสาขาของมัน่ะ พูดไปก็พูดไปบรรยายไปอย่างนั้น่ะแต่ตามไม่จริงต้นไม้ต้นนี้คือสําคัญของมันก็คือรากแก้วนี่แหละรากแก้วของมันสําคัญถ้ามันยังรากแก้วมันยังลึกอยู่ต้นไม้นั่นก็มันก็ยังอยู่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าวัดใจของเราเหมือนกับรากแก้วเพราะฉะนั้นเราต้องดิ่งเข้ามาหารากแก้วคือมาหาใจใจอย่าไปหลงร่างกายจนเกินไปนะแต่เราก็ต้อง ดูแลบำรุงรักษาไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่ว่าเราจะเป็นทุกข์หรือว่าจะบำรุงรักษาตลอดไปให้ดีที่สุดไม่ให้ขาดตกบ ก, บกพร่องเสเลยอันนั้นคงเป็นไปไม่ได้นะใจนะแต่อีกสักวันหนึ่งถึงจะรักษาให้ดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่นก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่ไม่ใช่ของเราเพราะพระ大เจ้าท่านสอนท่านบอกกล่าวอย่างนั้น านั้นเราต้องนำทำคาสอนของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์นำมาพิจารณามากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลเมื่อเรากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลตามทำคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายสังขารเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่น แต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นได้ก่อนที่จะปล่อยวางจุดนั้นได้มันเข้ามันนับตั้งแต่สมาธิถ้าจิตใจของเราไม่เป็นสมาธิเราจะไปเห็นจุดนั้นมันยากพูดได้อย่างงั้นมันยากเพราะนั้นเรื่องสมาธิเราจะไปมองข้ามไม่ได้ก่อนที่จะเป็นสมาธินั้นเราทําอย่างไรต้องฝึกท่นี่ต้องฝึกให้เป็นสมาธิการฝึกที่ทําให้จิต เป็นสมาธินั่นคืออะไรเวลาเรานั่งยึดนสถานที่ใดเราเดินยู่ดูยู่นสถานที่ใดถ้าเรานั่งร่างกายของเราไม่เคลื่อนไหวเราก็ไม่รู้จะจับตรงไหนมีแต่รู้อยู่อย่างนั้นรู้ไปรู้มาเดี๋ยวก็นอนหลับได้มันเผลอไปเพราะมันเพราะมันร่างกายไม่ได้ขยับในขณะที่เรานั่งมีแต่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกฟอดแฟดฟอดแฟด คือมันเคลื่อนไหวอยู่คือลมเพราะนั้นท่านจึงให้กาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโธคำคำบริกรรมคำนี้เราจะไปถือวให้คำสำคัญเพียงแต่ว่าให้สติของเราอยู่กับกรรมฐานนั้นตัวนั้นสำคัญกว่าส่วนบริกรรมบริกรรมนั้นเราจะหายใจเข้าพุทธหายใจออกพุทธหายใจเข้าธรรมโม หายใจออกทรรมโมหายใจเข้าสังโคหายใจออกสังโคก็ได้เนี่จะหายใจเข้าพดโธหายใจออกทรรมโมก็ได้กระสุดแท้แต่พวกเราจะตั้งสติกำหนดอย่างไรแต่ว่าข้อสำคัญเรื่องสติเราจะกำหนดอะไรต้องมีสติสติอยู่ที่ตรงที่นั่นที่เรากำหนดตัวนั้นอย่าให้พลังเผยอย่าให้อย่าให้มัน อ, อ, อย่าไปให้หลุดไป ในขณะที่บริกรรมให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญ ะ, ะ, ญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดว่าเรากรำหนดกาหนดลมหายใจเข้าหรือหายใจออกนี่แหละในเมื่อเรามีสติอยู่อย่างนั้นมีเมื่อมีสติดีแล้วใจของเราก็จะรวมสงบลยใช่เราแต่ว่าก่อนที่สงบจะสงบได้นะั้น มันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันน ะ, ะพูดนะมันพูดง่ายอยู่แต่ว่าเมื่อเรานั่งเข้าไปนักภาวนาทั้งหลายจะรู้ได้ด้วยตนเองพอนั่งเข้าไปแด้ก็วัดแล้ก็วัดออกทางนู้นออกทางนี้ถึงจะออกไปทางไหนก็เถอะมันจะปรุงไปทางไหนเราก็นำที่มันปรุงกับมาหากรรมฐานเขาอีกถ้ามันไปทางไหนเรากดดึงกับมาหากรรมฐานเขาอีก มาอยู่กับกรรมฐานพุทโธอย่างที่ว่าถ้าเราบริกรรมว่าพุทโธแล้วก็มาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือว่าเราบริกรรมว่าหายใจเข้าพุทโธหายใจออกพอุทโธเนี่ยก็ให้มันอยู่กับกรรมฐานเนี่ยที่เราได้ตั้งเอาไว้นี่แหละอันนี้ก็คือการฝึกสติเบื้องต้นแต่ในเวลาเราเดินเวลาเราเดินเวลาเราเดินมันก็การก้าวก้าวขาเดิน มันมีการเคลื่อนไหวอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเวลานั่งไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมีตะลมหายใจเข้าหายใจออกมันเคลื่อนไหวเราก็เอาสติจับอยู่ที่ปลายจมูกในการเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าออกแต่ขณะที่เราเดินขาของเราก้าวเราก็เอาสติจับอยู่ที่ขาก้าวก้าวเดินขาขวาพดขาซ้ายโถพดโถพดโทในการก้าวเดินแต่เราต้องมีสติ กำหนดสติให้เข้มแข็งในขณะที่เราเดินจากนั้นก็ขาขวาพดขาซ้ายโถพดโถพดโถพนดโรเราจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาเวลาเราจะหมุนกลับแต่าตาเป็นไปได้คนนะ่ะพระทักศิณเวียนขวาเวลาเวียนขวาแล้วเราก็ก้าวขาขวาพดขาซ้ายโถพดโถพุดโถมาถึงสุดที่สุดทางจงกลมอีกเวียนขวาอีก แล้วก็ขาขวาพดขาซ้ายโถอีกเนี่ยอันนี้แหละคือการฝึกสติฝึกสติเราฝึกต่อหลายครั้งต่อหลายหนสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดสติไม่หลงไม่เผลอไปที่ไหนจากนั้นใจของเราก่อนมันจะรวมรวมรวมรวมก็มาเข้ามาเรื่อยๆจนรวมสงบลงเป็นหนึ่งได้แต่ว่าการที่จะรวมสงบลงเป็นหนึ่งได้นั้น จะใช้เวลานานเท่าไรอันนี้กระสุดแท้แต่ความตั้งใจของเราหรือความพยายามของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่บางคนก็ภาวนาพุทโธท ธ, ทธสองสามคำก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนบางทีก็หายไปจนมิดไปเลยจนระลึกไม่ได้ก็มีจนก่อนจะนอนเราทำอะไรเนะี่ยวะเรานั่งภาวนาที่ไหนได้นั่งคิดไปทางไหนก็ไม่รู้ใจของเราส่งไปทางไหนก็ไม่รู้จนจะนอนวันละ จึงรู้ได้ว่าเรานั่งภาวนาเลยเนี่ยฮนี่แหละปราะว่าสติมันขาดเพราะนั้นขณะที่นั่งเราต้องตั้งสติให้เข้มแข็งเอ่เราบอกบังคับเลยแหละไม่ใช่ปล่อยให้ตามลําพังนะไม่ใช่ดูไปเลยเชื่อดูไปเลยเออแล้วเฮยไปเลยไม่ใช่เราต้องบังคับอบังคับให้มันทํางานเหมือนกับเด็ก ลูกหลานของเราใครจะสมัครไปเรียนหนังสือน้อยมากนะที่จะสมัครใจไปเรียนหนังสือโดยมากก็ติดพ่อติดแม่งอแ ง, งแต่เราผู้เป็นผู้ใหญ่เห็นว่าการเรียนหนังสือมีประโยชน์เมื่อเขาใหญ่ขึ้นมาเขาจะได้ใช้วิชาในการเรียนของเขาเราต้องบังคับเพราะเราเห็นคุณค่านี้ก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยเราจะให้มันชอบใจในการนั่งสมาธิเลย ก็เป็นไปนไม่ได้ยากมากเพราะกิเลสมันไม่ชอบแต่เราก็พยายามทําพยายามทําพยายามตรอมจิตพยายามบังคับจิตใจของเราให้อยู่เป็นหนึ่งในเมื่อเราเห็นคุณค่าแล้วจิตใจสงบรวมเป็นหนึ่งจิตใจเย็นสบายจิตใจมีความสุขนั่นแหละทนีเราเห็นคุณค่าแล้วเมื่อเห็นคุณค่าแล้วมันขยันเองท่นี่ เพอเห็นคุณค่าแล้วมันขยันเองเพราะมันติดถ้าไม่นั่งได้นั่งภาวนานเหมือนว่ามันขาดทีนี่เออมันขาด เ, าดเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามนั่งให้ได้แต่ละวันไม่ให้ขาดเพราะเหตุไรเพอนั่งแล้วมันสบายมีความสุขอย่างน้อยก็รู้จิตว่าจิตใจของเรานึกคิดมันปุงฟุ้งเรื่องอะไรเราจะดูได้เห็นได้รู้ในขณะที่เรานั่งสมาธิเพราะฉะนั้น พวกเราชนะศรัทธาญาติโยมทุกทุกท่านนะให้ฝึกเรื่องสมาธิเราอยู่ในบ้านฝึกได้ไม่ได้แต่ไม่เหมือนฝึกอยู่ในสถานที่สงบสงัด่ถ้าว่ามันอยู่ในบ้านฝึกได้กันน่หละครูบาอาจารย์เขคงจะไม่แบกกรดตะไครบาทเข้าไปสู่ป่าดงพงไพ่ะท่านก็คงจะไปอยู่ชุมชนหนาแน่นที่ไหนท่านก็จะไปปักกดนั่งภาวนาอยู่แถวนั้น่ะอันนี้ไม่ใช่ ตรงไหนที่สงบสงัดป่าชา้าบังถ้ำบังที่ป่าดงพงไพ่ที่ลกชัดที่หลีกเล่นหาความสงบท่านจะไปนั่งอยู่ภาวนายอยู่อยู่เช่นนั้นอย่างไปอยู่ป่าช้าอีกต่างหากไปอยู่ในที่โกงกลัวอีกต่างหากเพราะใจเมื่อไปอยู่ในที่กลัวแล้วใจใจจะไม่ส่งนอกใจจะไม่ส่งทะเลถลายไปทางอื่นสติอยู่กับตัวเองเพราะมันกลัวนะ มันกลัวผีมันกลัวสิ่งอะไรก็ใหม่รู้แล้วมันกลัวพราะมันกลัวสติจะอยู่กับตัวเองแต่เนี่ยภาวนาพุทโธพุทโธมันก็อยู่กับตนเองได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะข้ะาพเจ้าทายาโยมเรเรื่องภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะไม่ใช่เรื่องของพระนะพระก็คือหน้าที่ของพระก็คือท่านต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางพ้นทุกแต่พวกเราต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ใช่ละ ใครๆก็ต้องการความสุข น, นนะทุกใจใครต้องการบ้างพอคิดมากๆปุงมากๆปวดหัวอีกต่างหาเผลอๆนอนไปหลับตาแข็งอีกจะเป็นประสาทเข้ามาได้ง่ายๆเพราะเหตุไรเพราะว่าเราคิดจนเกินไปเพราะนั้นเวลาคิ ด, เ ร, รรคดรเราก็รู้วิธีการคิดวิธีการสงบเราก็รู้วิธีการสงบ เพราะนั้นพวกเราถ้าได้ฝึกสมาธิแล้วพวกเราจะรู้ได้ทั้งสองเงื่อนแต่จะให้มันคิดหรือจะให้มันสงบเราดูได้ทั้งสองเงื่อนเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศ า, าสนาเป็นวันที่ประสูติจตัดสรุปริณิพานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้จัดสรู้ในวันนี้ละจ ว, วนสว่าง ท่านได้ตัดจรุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นก็ได้ประกาศเผยแผ่ธรรมะสู่มวลชนพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อ 2,555 ปีนับที่พระพุทธเจ้าปริปรนิพานนะนับวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานได้ 2,555 ปีแต่ถ้าวันนับวันที่พระพุทธเจ้าตัดจารุ อายุ36มสิบปีอายุพระพุทธเจ้าสามสิบปีแตท่านได้ตัดสรุออ น, นันต์แล้วนับมาถึงวันนี้เป็นว่าพุทธสยันตีอายุ 2,600 ันหอยปีพอดีเขานับว่าเขาคานวณออกมาแล้ว 2,600 ปีพอดีนับวันที่พระพุทธเจ้ า, าตัดสรู้แต่ตอนนี้พระพุทธเจ้ า, าได้ตัสรู้อายุ36ปีแต่เมื่อพระพุทธเจ้ า, าปริทิพานคือตาย พระพุทธเจ้าปรินิพานอายุ80ปีอายุ80ปีนับจากอายุท่านวันปรินิพานของพระพุทธเจ้า 2,555 ปีแต่ถ้านับวันที่พระพุทธเจ้าตรรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่วันเดือนหเป็นวันแรกนับปีนี้แล้ 2,600 ปีพอดี เพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งปีนี้เป็นปีสําคัญยิ่งปีหนึ่งเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ถ้าเป็นไปได้พระน้อยพระหนุ่มนะควรจะเร่งความภาคความเพียรไม่นอนตลอดทั้งคืนคืนเนี่ยนั่งภาวนาทั้งคืนเลยสิเดินโยกรมทั้งคืนเลยสิแล้วกันถึงจะไม่เดินทั้งคืนนอนนั่งทั้งคืนก็เถอะแต่ไม่นอน เปลี่ยนอริยบทยืนเดินนั่งนอนสลับกันทดลองเลยสิการภาวนาและการทำความภาคความเปลี่ยนมันต้องมีหนักมีเบานะ เ, เราจะไปทำแบบอย่างเกา่ายางเกา่ า, กาอีเลื่อนไม่ได้มันไม่ประทับใจแต่ถ้าว่าพวกเราสลับทดลองดูแต่จะไปคุยกันนะถ้าไปคุยกันยิ่งเอาอารมณ์เข้ามาเวลาทาความภาคเปลี่ยนอย่าไปอยู่ใกล้กันอยู่ห่างๆกัน ในวัดของเราถนนเราหากิ่งไม้ไปไว้คนละส้นอยู่ระก้างจากนั้นกะจุดเทียนเดินจงกรมเดินจงกรมอยู่ในทางเดินของเรามีเจอะแยะไปยาวเกียดเลยถนนเพราะนั้นทางเดินจงกรมของเราเนี่ยอยไปเดินอยู่ที่เก่าการนั่งภาวนาก็เหมือนกันอยากไปนั่งอยู่ในห้องจนเกินไป จะทำให้อุดอู้ทำให้ง่วงได้ไง่ายๆเราต้องนั่งอากาศที่โปร่งๆเราต้องหาช่องหาหาทางหาทางนั่ง เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะถ้าพวกเราพยายามหาทางออกอย่างนั้นแล้วอีกสักวั น, นใจของพวกเราก็จะได้รับความสงบเยือกเย็น อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ นัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเราเห็นแต่ความปุ่งฝุงของจิตของใจมีแต่ความทุกข์ถ้าปุ่งฝุงมากๆมันทุกข์นะคนคิดมากๆมันทุกข์นะแต่ว่าจิตสงบจิตนิ่งพวกเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นแต่พวกเราทำเอาอย่างจริงจังแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านผ่านมาแล้วดืองจิตใจสงบจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งเนี่ยท่านผ่านมาแล้วท่านผู้ท่านยืนยันได้เพราะนั้นพวกเราที่ยังไม่เคยไม่เคยจิตยังไม่เคยสงบจิตไม่เคยนิ่งก็พยายามนะถ้าพวกเราได้ริมรถพระธรรมสมาธิธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วพวกเราจะฝังลึกเชื่อมั่นในธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้า ถอนไม่ขึ้นพอเราเห็นทูแจงเห็นจริงตามนั้นแล้วแต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่จิตใจ ย, ยังไม่สงบนะพวกเราจะต้องเขาพูดอะไรก็วันไว้ไงไกวแกลงไปเรื่อยเชื่อบางไม่เชื่อบังไอะผัวนิสุก็เลยถอนตัวได้ง่ายง่ายเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ลิ้มไม่ได้ลิ้มรดสมาธิทำไม่ได้ลิ้มรดของพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้